เบยมันได้ไงบ่อาจารย์ก็เจอเนี่ยที่สุดทั้งสังขารติดภัยยะมีอารมณ์เฉยมาทุกย่างเาได้เฉยทุกอย่างเขาด่ามาก็เฉยเขาเาเถมาก็าเฉยราชการะมีเพียงจิตใจเขาเฉยที่ของธรรมดาเขาจัดจ่ายใครสอยร่างกายแย่แก่เขเฉยทิ่ว่าเรื่องธรรมดาร่างกายจะป่วยก็เฉยร่างกายจะตายเขาเฉย ก็กลังใจมีกิดทุท่นเพราเราจะไปนิพพานใช่ไหราสัจจะยะทิสิกเขาว่าสโสดาบันจริงๆหรือเรามาเอาใจเป็นโสดาบันสโสดาบันจริงๆก็มี ค, ความารู้สึกเกี่ยวกับเรื่องคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายลรู้ไหมร่ า, างายไม่ใช่เรามีของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเรา เพราะร่างกามันไม่มีในเราไม่ใช่ยราเป็นเาของเราบางทีงต้องตายถ้ามันเป็นเราจริงเต็นของเราจริงมันก็ไม่ตายก็ไม่อยากมันตายใช่ไถ้าเราไม่คิดได้อย่างนี้ปฏิว่าชนะการย่ข้อที่หนึ่งของพระโสดาบันข้อที่สองพุิพิชาไม่สงสัยในคนัตงไคือพระพุทธเจ้าประาพระอริยสงฆ์อันนี้ต้อง ถ้าไม่สงสัยในความจริงต้องควบกันหนักน่อยถ้าอย่างน้อยเราทําติาดน้อได้สองในวิชาสามจะมีความแม่คงในพระใจสำนาคมมาก <c oughs> เพราะหลักสวิชาสามไม่ใช่โครรดคําสอนพระเจ้าพระเจ้าต้องตายแล้วมีสภาพไม่สูนจริงไหมเราตามได้กําลังที่ปุญญาตื่นตายแล้วเกิดมีจริงไหมเราตามแล้วติดตามไม่ผุดเป็นวาสันเิญาณ อันนี้จะสภาพมันจะชัดเจนแจ่มใสมากสร้างความไม่คงถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็สามารถจะทรงความไม่คงนนในพุทธเจาในประธรรมในพระอริยสงฆ์ได้นะแ้วข้อดีสามสีรัปตปรามาธิษาชสินีเคร่งคัดก็มีเท่านี้ในปะุถุชนเนี่ยแหลมากหรอกของกดด็รวยไงคนอยู่จังหวัดไหนล่ะ หนกักว่าเจ้วกูดิก็แล้ว่ไอ้นี่มันขึ้นเรื่งต้นทำมานักคุณนะแต่ตจริงๆถ้าเราจะเอาจริงๆนี้มันไม่หนักคุณนะคุณตั้งต้นเอาเฉพาะสังโาณสามเนี่ยผมให้เวลาคุณไม่เกินสี่เดือนนะแต่คุณจะเปิดปากไปนะสมาธินี่คุณทำ คุณจะพาวนาว่าอย่างไงก็ตามพป็นาวยังไงก็ตามไม่คงไม่จะว่าปีิเป็นศพใช่ไหมสมาธินี่ควรทำไม่จิตยังไงเริ่มทรงตัวแต่ว่ากลัวปัญญาอันนี้เป็นแค่อนุสตินะอนุสติที่มีสี่นี่เราใช้แค่อนุสติแค่สามแต่ความจริงคุณใช้สี่คุอใช้อุปสมานุสติด้วยถ้าเราจะแยกจริงๆก็ก็เป็นหลายนุสติอีกอย่างหนึ่งมรณะนุสติหนึ่ง 2. พุทธานุปติสาธรรมานุปติสี่สังขานุปติหา้าศีลานุปติหกโอปปสมานุปติโอปปสัมมานุปตินี่นึกถึงผลิภานเป็นอารมณ์ใช่ไหมถ้าคุณเอาจริงๆผมคิดว่าพวกองค์น่ะไม่เกินสี่เดือนได้ระวังตัวไหนระวังมากตัวสิงสิงนี้เราจะมองไปเมาแค่สิงสองร้อยยี่สิบเจ็ด ระวังสินห้ากักรรมบทสิบไว้ด้วยใช่ไหมเราไปมาว่าเรามีสินสองร้อยยี่สิบทำอะไรก็ได้นะระวังมารกมันเร่งงานหนักต้องระวังสินห้ากักรรมบทสิบให้หนักหรือพออย่ายิ่งกรรมบทสิบก็ระวังหนักมากใช่ไหมก็แค่นี้คุณมาที่นี่ผมมีเรื่องพูดต่อเนี้ยคุณมาไปประลคาลคุณส่ประลำคาลผมก็เหน่อยออื เอาไหวนะมสี่เดือนหน้าเนี่ยเริ่มต้นแต่วันนี้เป็นต้นไปหนึ่งเราไม่ลืมความตายใช่ไหมคนใหญ่คิดว่าเี่นี้คนอายุเท่าไหร่การที่สองเย็นได้วันหนุ่มนะก็อย่าคิดว่าแก่คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ก็ได้ใช่ไหมตื่นขึ้นมาตอนเช้าทับนักเลย ก็าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ก็ได้ต้องสังเกตดูคนที่เขาจะตายเนี่ยเขาไม่รู้เขาจะตายเมื่อไรนะอย่างคนที่ถิงแล้วป่วยรับรหลั บ, ลบก็ตายไปเลยใช่ตามต่างเขามไม่แน่นอนใช่หมเพราฉะนั้นเมื่อเริ่มตายขึ้นมาวันนี้เราจะไม่ยอมลงไปยภูุมถ้าตายวันนี้ที่พึ่องอเราคือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองประธรรมสาม 3, พระ อ, อริยสงฆ์เห็นไหม ถ้าต่อไปหลักไทยใหญ่ก็คือสิ น, บบสนห้าได้กันหมดสิบถสรอยี่ิเจ็ดอย่าลืมนะพระที่ไม่มีสินห้านี่มันเยอะนะนักบวชอะถ้าสินห้าไม่มีแสินละสองร้อยยี่เจ็ดมันมีได้อย่างไรแต่โยมแตเห็นไหยถ้าบอกไม่คเคยใช้โกหกอะการบวชมเ็นเรื่องสำคัญมากเพราะเรื่องลักใจคนใช่ไหม วาจาเป็นหนึ่งใหญ่ทีหนึ่งไม่ปูดปดไม่ปูดัญาบไม่พวดส่อเสียดไม่เพ่อเจ้อเหลวไหลวาจานี่สาคัญมากนะแล้วจิตใจก็ไม่ทิ้งไม่รรมสิทธิมันต้องเอาไว้นะถ้าเราทรงกรรมสิิตได้สิ่งสองรยี่ิเจ็ดนันก็ทรงตัวได้ถ้าทรงกรรมสรทิตไม่ได้สิงสองยี่บก็ทรงไม่ได้เห็นไหถ้าเราโบ้แล้วอุ้มไม่ไหวแล้วอุ้ม้างได้ยังไง ใช่ไหมโครงการรัฐประการทีสองโอปปสมาลุกติก็ตื่ขึ้นใหมใหม่ทุกว่าวันนี้มันอาจจะตายก็ได้เราก็ป้องกันอนโยบายในการนึกถึงพระพุทธเจ้าจะทำตาอารียทง์ส่งในฝั่งพระรพแล้วก็ไล่เลียงเรื่องศีลพองเราให้มันครบถ้วนอีกตั้งจิดไว้จุดเดียวคือถ้าเราตายวันนี้ขอไปนิ่ผ่าน นี่เราพูดกันได้สุขัสตะโกนะถ้าคุณศึกษาเรื่องเตหิโชด้วยชลพิณโยจะได้กําไรมากกว่านี้เอาเข้าเอาพวกเราที่นี่สอนชลพิณโยด้วย <c oughs> เตหิโชก็ <c oughs> ก็ถือว่าเล็กไปแล้ะ <c oughs> ชลพิณโยอันดับแรกก็ต้องใช้เตหิโชขึ้นต้นเหมือนกันใช้กําลังของวิชาสามอันดับแรกก็จับคิปปุญญาให้เกิดก่อน เมื่อทุกขยานจับได้แล้วก็จับพระรูปพระสงฆ์เขาเด็จยพระสัมมาพระเจ้าให้ชัดเจนแจงสายตากาลังเห็นพระพุทธเจ้แล้วก็สมรวบดวงกังวานใจพุ่งจิตใจไปนิพพานดันทีพอไปถึงนิพพานอยู่ต่อหน้าพระเจ้าก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราร่างกายตายเมื่อไรเราจะมาตรงนี้ทําอย่างนี้ทุกวันแล้วคุณไเรลืมว่าการตายแล้วร่างกายมันตายใจไม่ได้ตายนะใช่ไหม การเหยียบไฟแล้วไฟนนั่นมันใจไฟีถ้าใจมันรักพิพันธั่มันจะไปไหนนี่อันก็ปฏิพานใช่ไหแค่นี้ไม่อยากอะไร่นี้อยาก้ใครมีอะไรสงสัยไหมไม่ถ า, า, า ม, มได้คนดีดีถามเเข้าใจเพอข้าใจไม่มีอะไรจะบอกกันถ้าบอกได้นะเท่าซีและเกศเท้ากน ผมไม่รู้จักท่านเนี่ยผมเลไม่รู้จักท่นานตัวนึเวลนั้นเวลาที่ท่านไปพบกันผมก็ไม่รู้ชื่อท่านเลยเห็น <c oughs> ไหมเวล า, าที่ไปพบกันอย่าเงเรนี้จะไม่ใช่ผมว่าไม่ทราบที่ไปพบกันในทกวท่าไม่ได้เป็นพระ <c oughs> ใช่ทุกทีาขาวผม ก, ก็ยาวแค่ความจริงนะเป็นพระ แล้่อปานก็ถามว่าคนฤกพระเขาท่านถามถา ม, ถามพ่ออะไรว่าเห็นผมยาวก็ถามพระอยู่ที่ผมเลยผ้าไม่ใช่ผ้าเหลืองมันถามพระอยู่ที่ผ้าเลยในควาจริงหมาว่าพระจริงๆนะอยู่ที่ใจใช่ไหมในเมื่อผมยาวในเมื่อไม่มีมิดมิดให่โกในเมื่อใครจะตัดผมก็ต้องยาวผ้าในเมื่อไม่มีผ้าเหลืองแค่มก็ต้องลง้องาอะไรก็ได้ ไม่เกิดจิตใจตจริงๆความเป็นธาตุจอยู่จิตใ จ, ต, จตอนนี้จะเป็นอง์เดียวที่คนพูดแล้วไม่เนี่ยผมไม่รับรองนะแต่ผมไม่ไม่จากแล้วก็ไม่เคยเียดจอท่านอีกเลยเนะี่ยเป็นเพียงว่าไป็พวกหลวงพ่ป่าในป่าหลวงพ่อป่าในถิ่นอยู่กระแทงกระแท้งก็ไม่เคยแสดงบอว่าเป็นยาตอนหน้าคนนี้ไม่เคยมีเลยแต่วันนั้นมีแล้วเลยเขาได้สัญญาโซง เรื่องสัญญานี่มัต้องปกติชาวบ้านใช่ไหมมีความจำเป็นพระเจ้าสองห้ามไว้แต่ถาเราฟังกันเองพวกกันเองไม่มีอะไรสิ่งนี้ก็แสดงกันได้ที่สแสดงกันผมว่าพระเจ้าจแสดงแข่งกันท่านทําให้ลูกศิษย์โตมากกว่าว่าสัญญานี่เป็นของมีเจริงใช่ไหมข้าต้องเด่๋ยวถ้าไหนมีอะไรบ้างมอย่ังคูยกันได้ก็ไม่เป็นไร เน่ผลเขาไม่ซาดงผมเป็นแ่ที่โควอย่างเดียวแร่อาขาตาโรตัศนาตาพระพุทธเจ้าบอตถศนระพุทธเจ้าบอกนะแล้วก็สอนาไปใจกำลังที่เราสอนกันได้แต่ที่เข้าไปเพื่อกันได้มีเยอะครับมีเกเก้าสิบเอร์เนะที่ไปกันได้นะให้ที่ไม่ได้เลยนี่ก็มีทีก็ไม่มีนะก็ไป่นน้อย ถ้าใครเขามาอยู่ทั้ง5าที่นี่ให้ไว้โอกาสเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันยังต้องต้องกลับถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็ถือว่าเก่งเต็มที่แล้วสอนอีกไม่ได้แล้วครูสู้ไม่ได้ <laughs> เออคุณครหมดฤิ์แล้ว <laughs> <laughs> เพราะเล้สุสอจครับ ว่ใช่เพทพไปให้มันไม่จําเป็นเพราะไม่จำไม่จำเป็นเวลานี้ผมก็ไม่ไหวป่วยบัณฑิตร น, นี้ใหม่ๆเขาสอนเองก็มาเมื่อไม่รู้สึกเขได้มากๆก็เลยให้เราสิกสอนคือคําคสอนนี่มันไม่มีความสำคัญคําสอนผมพูดให้มัคนคือเทพแม่ฟังใช่ไหมเวลาสมาทานเสร็จแล้วก็เวลาจะเข้าปุตอยากสึ ก, กปุญญาเน่ยด้วย เพรว่าด้านควาปัญญานี่อันนี้มัต้องมีคนเข้าไปแนะนํำถ้าคนไม่เข้าไปแนะนำ น, นำี่เก็บสิบปีไม่ไม่ได้หรอกเพราะขาดความเข้าใจเพราะว่าการปฏิบัตกรรมาฐานมันต้องพร้อมสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาคําว่าปัญญานี่ยคือตัวเข้าใจในทางพระละเอ่านสือเราใช้ปัญญานี่มันสูงมากเกินไป เรื่อเขียนมากไปมันต้องใช้ปัญญาเฉพาะกับจุดที่วต้องการที่มันก็ญญมนไม่ยากแนะ้่เข้าใจนี่ไม่ยากท้งนี้แล้วกันคนที่เขาจะได้เลยจริงๆไปเกินสามวันให้คนที่ไปได้เดือนห้าเดือนไม่ ไ, มได้แลระยอ ค, คนจะไม่ได้ทุงอย่างแต่ก็ต้องถึงวาระเมือ่อไหร่คน่นคนะวาระเัื่อ ถ้าลักษื่นกันตามภาษาพระกระผดไงมันอาศัยบา ร, รมีบา ร, รมีเก่ากับบา ร, รมีใหม่มันต้องชนกันคำว่าบา ร, รมีรี่แปลว่าเต็มใช่ไหมครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านแนะนำาให้คนให้แปลว่ากำลังใจเต็มถ้าเกมมจริงจรีงเจยงเหรอผมเป็นดังเขตของไม่รู้มันเต็มตรงไหนเหมือนกัน ถ้าบอกต้องแปลว่ากําลังใจเต็มอย่างศีลและบารมีเพร้อมในการทรงศีลใช่ไหมทานบารมีพร้อมในการให้ทานเพราะมันต้องเต็มจริงๆเน้นเรื่องกาลังใจเต็มเน้นที่ว่ต้องกําลังใจเขาบารมีรมันยังไม่เต็มปีมันแจกไปก่อนถ้าเต็มปีแล้วระนิพนธแล้วเขาเต็มมาขนาดไหนแล้วบริการมีสองกรรมฐ า, านมีทั้งสี่หมด ในใช่ก่อนเนี่ยเขาปฏิบัติหมดไหนมาถ้าเขาปฏิบัติหมดสุขะก็เสโกมาเราสอนเขาไม่ได้ผลถ้าเราสอนฉลาดโยเตยโเนะอันนั้นเขามันจะผลแต่ด้านสมาธิเขาจะดีที่นี่เพียงต้องแบ่งเวลาเป็นสองเวลาเวลากลางคืสอนสุขะก็สกโกกลางวันเสอนท่านติโยก็เตโ ถ้าพวกคุณเขได้เจริโภคและเครื่องยโยมาอันนี้อย่างเพื่องอย่างชาที่สุแค่สาวันเขาเริ่มได้เลยเอาอย่างชากันนะเขาเริ่มได้แล้ ว, ออวนนะแล้วกะวันที่สามที่สี่ต่อไปเขาซักซ้อมแค่ซักซ้อมอีกสองวันวันหนึ่งวันที่สองถ้าซักซ้อมอีกสองวันว น, นี่ซ่องตัวหมดอยากไปสวรรค์ชั้นไหนเอยากไปบนโลกชั้นไหนอยากไปที่ไหนไไหนิพพานนีไไไ่ไปกันได้นิพพานนี่ไม่เคยมีสภาพศูนย์ตันงแตเข้าใจกันหลักสีนะ ที่ผมข อ, อยืนยันเราอนานอาถือว่านิพพานสูงแต่เราลืมไปตัวมั้งี่พานังตระมังสุด ข, ขังถ้านิพพานมัส น, มนสูนแก้วมีความสุขได้ยังไงในวามสุขจ็มันต้องมีอารมณ์รับสัมผัสใช่ไหมถ้าสูงจริงจริงอย่างสลัทเนี่ยสลัทรไม่สุขเลยทุกคนมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็มไม่เรือ ภาพศูนย์ก็จภาพเป็นคนหลับหลับนี่หนาวก็ไม่รู้ร้อนก็ไม่รู้ใช่ไหมจะบอกว่าสุขก็ไม่ได้จะบอกว่าทุกข์ก็ไม่ได้คือถ้าจะภาพศูนย์จิงมันต้องเป็นอย่างนั้นที่ว่าบาหลีที่พระเจ้าทรงยินยอมอนุพานังประมังสุขขังอนุภาณไม่สุขอย่างยิ่งคือต้องมีรูมรับตั้งถอแล้วคนนี้เห็นอนพานได้เช่นยังไงอ่นนี้ก็ต้องวัดบารมีกันนี้ถ้าสุขอริยาเนี่ยเป็นต้อวัดบารมีตรงเลย ถ้าราียงอ่อนนี้ยังเ่งล้วก็ได้แค่สวรรค์ซ <c oughs> ึ่งพรไม่ได้เรยนได้บามีที่มันเจงมได้นะมังหาใหม่ได้ใช่ไหม่งรับได้ไม่ใช่มีแต่ของเก่าแล้วสร้างใหม่ได้ถ้าทาไปทำไปไปความเข้มแขงเอวีีขึ้ก็ถึงพมได้ถ้าจิตใจกาลังสะอาดมากซึ่นก็ไปสามาร ถ, ถนิพพานได้เรื่องนิพพานเนี่ยผมขอ ใ, ใหญ่ๆแค่ว่าโสนก็โสนแตผมไม่โสนะ อาจารย์ขอก็ไม่สนแตว่าเจออาจารย์ในสมัยเก่าๆย่างต้อพ้นเนียมเก่าที่สุดเป็นพระที่เป็นไปสัิตายางขนาดหนักขนาดสอนไ้ผมไปสามองค์ผมมาปฏิองหลังท่านอยู่อย่างนี้ตอนเด็กที่มาผมติมทีสองผมทำกฐานท่านล้อนตะโกนมาเลยไอ้กุฏิล้างม้นเร่งรักเื่อกินไปลดจิตลงมาหน่อยกุฏิหลังนี้ ยังไม่ได้ขยับตัวเลนิดเอ้าระเดี๋ยวระเีนี้ประเดียมีสมาบนรีเลยนะพ่อเขาพ่อเนียไม่อยู่าอะไรเงินน้อยจังหวัดสุรรมชนิดยังมีหนังสือเกี่ยวกับตัววัดพ่อเหนียวางไหมไม่ทราบผมเขาทำร้างเก่าผมอยากอยากนี่ไม่ไม่กนี่ไม่เกี่ยวเลยคือคือได้อังนี้ะัวหวพ่อ้องไม่ใช่ต้องไปถาม่เหนียอยู่เต้องไปถามต้อถามตรนอยเข้ามาบัตรน้อยเก็บไปบอกมา ถ้าที่มานี่อยากได้ศึกษาศึกษาระสบการณ์ของอาจารย